วันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหมดจะต้องอยู่จำพรรษากัน คือจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา3เดือนด้วยกันคือตั้งแต่วันนี้วันแรม1นึค่ำเดือน8ไปจนถึงวันแรม1ค่ำเดือน11ถ้าภิกษุจะต้องอยู่จำพรรษาคืออยู่ค้างแรมอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง ไม่ไปค้างแรมที่อื่นประเพณีการจำพรรษานี้เป็นพุทธบัญญัติเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีปัญหาในช่วงในสมัยพุทธกาลท่าภิกษุน จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเท้าจะเดินทางไปเพื่อกาบส ก, การะพระพุทธเจ้าก็ดีไปกาบไหว้ครูบาอาจารย์รูปต่างๆก็ดีไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆก็ดีจะต้องจะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเดินด้วยเท้าสมัยนั้นไม่มีพาหนะ ไม่มีถนนหนทางต้องเดินทางกันด้วยเท้าก็มักจะเดินลัดทุ่งกันพอมาในยุคพอมาในช่วงฤ ด, ด, ดูฝนเช่นตอนนี้เราอยู่ในฤ ด, ดูฝนกันชาวนาชาวไร่ก็มีการเพาะปลูกพืชต่างๆพอพระภิกษุ เดินทางไปไหนมาไหนบางครั้งก็เดินข้ามทุ่งข้ามทุ่งนาทุ่งไร่ก็ไปเหยียบย่ําทําลายพืชที่ชาวนาชาวไร่ได้เพาะปลูกเอาไว้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนกับชาวบ้านชาวนาชาวไร่ก็เลยมากราบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบพอพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบแล้ว ก็เลยสั่งให้พระภิกษุงดการเดินทางไว้ชื่อกาวระยะสามเดือนด้วยกันให้อยู่กับที่ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับที่ใดที่หนึ่งเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดคือวันนี้ได้ให้อยู่ไปจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ เป็นช่วงที่พระพ้นฤดูฝนไปแล้วและมีข้อยกเว้นให้ถ้าจำเป็นจะต้องไปค้างแรมที่อื่นต้องเป็นกรณีที่จำเป็นเช่นไปดูแลรักษาพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถลาไปได้ ครั้งละไม่เกินเจ็ดคืนเจ็ดวันไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับที่เดิมหรือว่าถ้ามีความชำรุดสุดโทรงของกุฏิที่อยู่อาศัยศาลาก็สามารถลาไปหาวัสดุก่อสร้างมา ซ่อมแซมกุฏิสาราได้หรือว่าญาติโยมมีกิจนิมนต์ทำบุญนิมนต์ให้พระไปในงานบุญก็สามารถไปได้หรือว่าพระภิกษุเพื่อนเพื่อนพระภิกษุด้วยกันมีความคิดอยากจะลาศิกขาถ้าไป พูดไปคุยไปห้ามไม่ให้ลาศิกขาได้ก็อนุญาตให้ไปได้นี่คือกรณียกเว้นที่พระภิกษุยังสามารถที่จะไปค้างแรมที่อื่นได้แต่ให้ไปไม่เกินเจ็ดคืนหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมไปจนกว่าเจ้าพันษานี่คือ ความเป็นมาของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุที่ได้ทำกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ mm hmm. จึงมีประเพณีที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพรรษาอยู่คือพุทธบริษัทสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็น อุบาสกอุบาสิกาก็ชื่อที่เราจะใช้ช่วงเข้าพรรษาอยู่จาพรรษานี้เป็นช่วงทำบุญให้มีมากขึ้นทำความเพียรให้มีมากขึ้นทำบุญที่ยังไม่เคยทำให้เกิดขึ้นหรือรักษาบุญที่ได้ทำเอาไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้ขาดหายไป และพยายามละบาปอากุศลต่างๆให้น้อยลงไปและเพียรรักษาบาปอากุศลที่ได้ละไปแล้วไม่ให้หวนกลับคืนมาอีกจึงมีธรรมเนียมของสาธุชนในช่วงเข้าพรรษานี้จะตั้งสัจจะอธิษฐานทำอะไร ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลายอย่างเพิ่มมากกว่าปกติเช่นบางท่านอาจจะตั้งสัจจาอธิษฐานจะใส่บาตรทุกวันพระถ้าไม่เคยใส่บาตรประจำก็ จ, จะตั้งสัจจาอธิษฐานว่า จ, จะใส่บาตรทุกวันพระสำหรับท่านที่ได้ใส่บาตรทุกวันพระอยู่แล้ว ก็ จ, จะตั้งสัจจะอธิษฐานให้ใส่บาททุกวันหรือให้ทำบุญในรูปแบบอื่นจากการใส่บาทก็ได้ถ้าเราเคยเบริจาคทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงเรียนให้กับวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถทำได้ทำให้มากขึ้น ว่าที่เราที่เคยทาไว้ตามปกติคือให้เราเพิ่มการทำบุญให้มากขึ้นนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วเราก็อาจจะตั้งสัจจาอธิษฐานว่ า, า จ, จะรักษาศีลให้ครบทั้งห้าข้อถ้าเรายังไม่เคยรักษาให้ครบเลยในวันใดวันหนึ่งก็อาจจะตั้งสัจจาอธิษฐาน จะรักษาศีลห้านี้ให้ได้ทุกวันพระเช่ mm hmm. นคนที่อยากจะเลิกดื่มสุรายาเมาเป็นต้นพ mm hmm. อถึงวันพระก็จะต้องละเว้นการดื่มสุรายาเมาและการกระทำบา ป, ปอื่นๆด้วย mm hmm. ถ้าได้รักษาศีลทุกวันพระอยู่แล้ว mm hmm. ก็อาจจะเพิ่มการรักษาศีลให้รักษาทุกวันไป mm hmm. ไมใช่เฉพาะเพียงแต่วันพระเท่านั้นหรือท่านที่ได้รักษาศีลห้าได้เป็นประ จ, จําอยู่แล้ว mm hmm. ก็ จ, จะมาเพิ่มการรักษาศีลเป็นศีลแปดในวันพระ mm hmm. ทุกวันพระก็จะถือศีลแปดแล้วก็จะไปอยู่วัด mm hmm. ไปนุ่งขาวห่มขาว mm hmm. ไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรม เพื่อซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนำความสุขมาให้กับใจนั่นเองบางท่านเคยปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเคยเข้าวัดอยู่ทุกวันพระก็อาจจะเข้าวัดตลอดระยะเวลาทั้งสามเดือนเลยก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไปบวชเป็นพระ ช่วงเข้าพรรษานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่มีการนิยมบวชกันเป็นประเพณีมาแต่ดั่งเดิมผู้ชายที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปที่อยากจะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณก็จะนิยมบวชกันในช่วงเข้าพรรษานี้ วิธีการเหล่านี้เป็นการยกระดับบุญยกระดับการทำบุญให้มีมากขึ้นให้สูงขึ้นเพราะผลที่เกิดจากการทำบุญคือความสงบความสุขใจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราเพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้นเป้าหมายของ พุทธศาสนาที่มีเกิดขึ้นมานี้มีไว้เพื่อพาสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนถาวรของพระนิพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราจะเข้าสู่ พันิพานได้เราก็จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติทางที่จะพาให้เราไปสู่พันิพานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่อยากจะไม่ต้องมาทุกข มกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆได้นำมาไปปฏิบัติทางที่จะนำผู้ปฏิบัตินี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ทำบุญทาทานต่างๆ ขั้นที่สองให้ละการกระทําบาปด้วยการรักษาศีลต่างๆขั้นที่สให้ซักพอกให้ชําระจิตใจให้สะอาดด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการปฏิบัติสมาธิและปัญญาการสร้างสมาธิและปัญญาสร้างด้วยการเจริญส ม, มถภาวนาสมาธิก็จะได้สมาธิ ถ้าต้องการสร้างปัญญาก็ต้องสร้างด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้ามีการทำบุญมีการรักษาศีลมีการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจิตใจที่ถูกความทุกข์ทั้งหลายหุ้มห่ออยู่ก็จะกลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆเป็นจิตใจที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าปฏิบัติได้มากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะทำให้ได้ผลดีได้ผลเร็วขึ้นได้ผลมากขึ้นนั่นเอง เหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเรารับประทานอาหารจานหนึ่งเราก็จะได้ความอิ่มในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรารับประทานสองจานเราก็จะได้ความอิ่มเพิ่มมากขึ้นความหิวก็จะลดน้อยถอยลงไปตามการรับประทานอาหารของเราฉันใดใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการอาหารมาดับความทุกข์ของใจ มาสร้างความอิ่มสร้างความสุขให้กับใจและอาหารของใจนี้ก็คือการปฏิบัติตามขั้นตอนที่พุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้สามขั้นนี้คือให้ทำบุญทาทานให้รักษาศีลให้บำเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันเองไม่มีใครสามารถทำให้กันได้แทนกันได้ถ้าเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาอยากจะรับประทานอาหารเวลาหิวถ้าอยากให้ร่างกายดับความหิวอยากให้เกิดความอิ่มขึ้นมาก็ต้องรับประทานกันเองคนอื่นนี้รับประทานแทนเราไม่ได้อาจจะป้อนให้เราได้ ถ้าเรายัางเป็นเด็กอยู่หรือว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะต้องอาศาัยผู้ช่วยป้อนอาหารให้แต่ก็ยังต้องเอาอาหารเข้าสู่ร่างกายร่างกายถึงจะหายหิวและมีความอิ่มเกิดขึ้นมาได้ฉันใดจิตใจที่ทุกข์ด้วยความหิวความอยากต่างๆก็ต้องอาศัยธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาอาหารของของใจเข้ามาสู่ใจการทำบุญทำทานนี้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยบําบัดความหิวความทุกข์ของใจ ที่จะสร้างความอิ่มความพอความสุขให้กับใจได้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ชาวพุทธเราจึงนิยมที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนา ก, นการที่เราจะสามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องอาศัยธรรมะ สข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องตั้งอธิษฐานคือเราต้องตั้งตั้งเป้าของการกระทำของเราว่าเราจะทำบุญมากขึ้นจะรักษาศีลมากขึ้นะจะภาวนามากขึ้นเป็นต้นนี่เรียกว่าอธิษฐานคำอธิษฐานนี้มีสองความหมายด้วยกันความหมายของทาง ศาสนานี้หมายถึงให้ให้ตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราคือความตั้งใจนั่นเองตั้งใจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเอาไว้เราอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่ถ้าเราได้ตั้งใจเอาไว้พอถึงเวลาเราก็จะได้ทำกันเช่นวันนี้ท่านศรัทธาสาธุชนก็ก่อนที่จะมาที่นี่ได้ก็ต้องมีความตั้งใจเอาไว้ก่อน ตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาจะมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นถ้าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลาก็อาจจะไม่ได้มาก็ได้เ่นอาจจะมีเพื่อนหรือใครมาชวนให้ไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปที่ใดที่หนึ่งถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมาวัดเราก็อาจจะ ไปกับเขาได้ <Yeah. S 1> เพราะเราว่างเราไม่ได้คิดจะทำอะไรนั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะมาวัดแล้วพอมีใครมาชวนให้ไปทำอะไรนี่เราก็อาจจะต้องปฏิเสธเขาไปก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราถ้าเรามีธรรมะข้อที่สองมาช่วยรักษาอธิษฐานของเราความตั้งใจของเราก็คือสัจจะความ ความความจริงใจความความไม่โกหกหลอกลวงตัวเองคือสัจจะคือตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้ามีสัจจะก็จะไม่เปลี่ยนใจถึงแม้วเวลาจะมีใครมาชวนให้ไปทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีอธิษฐานแล้วมีสัจจะมีความจริงใจไม่โลเลไม่เปลี่ยนใจ ก็เราก็จะปฏิเสธคนที่เข้ามาชวนเราไปทำอะไรอย่างหนึง่งได้เราก็จะได้มาทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้นั้นนอกจากมีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะซึ่งคำสองคานี้มักจะไปคู่กันเรามักจะได้ยินเสมอว่าจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำบุญใส่บาตรหรือทำบุญทำทานให้มากขึ้นอย่างใดอย่างเงิน จะรักษาศีลให้มากขึ้นจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้มากขึ้นเป็นต้นอันนี้ต้องเกิดจากการมีสัจจะอธิษฐานก่อนพอเรามีสัจจะอธิษฐานเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องทำตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานอารมณ์เราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาเราก็อยากจะทาเราก็ทา บางเวลาที่เราไม่อยากจะทำเราก็จะไม่ทำถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็สู้กับการทำอย่างสม่าเสมอไม่ได้<ม>การที่เราจะทำอะไรได้อย่างสม่าเสมอมเราก็ต้องมีศจจะอธิษฐานคอยควบคุมบังคับใจของเราไม่ให้โลเลไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะใจของเรานี้มีอารมณ์เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ บางครั้งก็ขยันอยากจะทำความดีต่างๆบางครั้งก็ไม่อยากจะทำอยากจะไปหาความสุขทางโลกบ้างไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรกันบ้างไปฉลองกัน mm hmm. ก็ใจของเราถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็เหมือนปล่อยให้เรือที่ไม่มีหางเสือหรือไม่มีใบให้ไหลไปตามกระแสน้า น้ำจะไหลาพาพัดไปทางไหนก็ต้องไปตามกระแสน้ำใจของเราที่มีอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันในใจของเรามีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างมีกุศลบ้างมีอกุศลบ้างถ้าเราปล่อยให้ใจเราไปไหลไปตามอารมณ์ตามกุศลอกุศลใจเราก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะจะถูกดึงไปดึงมา ดึงไปข้างหน้าบ้างแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาข้างหลังบ้างก็เลยไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันได้ถ้าเราต้องการไปนิพพานไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีจัตจ้อธิษฐานตั้งเป้าไปที่พระนิพพานตั้งเป้าไปที่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการ ตั้งสัจจาธิษฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่จะนําพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ก็คือตั้งตั้งสัจจาอธิษฐานว่าเราจะทําบุญเราจะรักษาศีลเราจะภาวนาทีนี้มันก็มีมีระดับของการทําทานมีระดับของการรักษาศีล มีระดับของการภาวนาว่ามีมากมีน้อยเราก็กําหนดไปตามกําลังของเราก่อนเราอย่าไปทำํำเราอย่าไปตั้งสัจจะทําใน ส, สิ่งที่มันเหนือกําลังของเราเราอาจจะทําไม่ได้แล้วพอเราทําไม่ได้แล้วเราอาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับตัวเราเองได้เราก็ต้องดูกําลังของเราก่อนว่าเราจะสามารถ ทำบุญได้มากน้อยเท่าไหร่รักษาศีลได้มากน้อยเท่าไหร่ภาวนาได้มากน้อยเท่าไหร่เราเริ่มต้นจากจุดที่เราสามารถทำได้ไปก่อนแล้วเราค่อยขยับเพิ่มขึ้นไปเทเล็กเทเล่เลน้อยเหมือนกับการเดินเดินไปทีละก้าวสองก้าวเดินไปเรื่อยเมื่อเดินแล้วมันก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถเดินได้มากขึ้นเดินได้ไกลขึ้นไป ถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆใจเราก็จะมีกำลังที่จะเพิ่มการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่เราทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ย่อหย่อนทำอย่างไม่หยุดยัง้งเราจึงต้องมีธรรมะข้อที่สามมาช่วยในการผลักดัน ให้การปฏิบัติการกระทําของเรานี้เป็นไปตามที่เราต้องการก็คือเราต้องมีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรหลังจากที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทําบุญทําทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ความเพียรเป็นผู้ผลักดันเมื่อถึงเวลาจะต้องทําบุญก็ทําเมื่อถึงเวลาจะต้องรักษาศีลก็ต้องรักษาศีล เมื่อถึงเวลาต้องภาวนาก็ต้องภาวนา น, นี่คือธรรมข้อที่สาที่จะผลักดันให้เราได้ดําเนินไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปคือไปสู่วิมุตตินิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเรายัางต้องอาศัยธรรมะข้อที่สก็คือความอดทนเรียกว่าขันติขันติแปลว่าความอดทน เวลาเราทำในสิ่งที่ยากนี้เราจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำกันแต่ถ้าเรามีความอดทนยากง่ายเราก็ทำไม่ท้อแท้ไม่ไม่ยอมแพ้ต้องทำตามที่เราตั้งสัจจะไว้ถ้ามีความอดทนเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นในการปฏิบัติของเราได้ น, นี่คือ ธรรมะสี่ข้อด้วยกันที่จำเป็นต่อการการในการกระทาต่างๆให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลกก็ดีต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานต้องอาศัยวิริยะความขยันหมั่นเพียรต้องอาศัยขันติความอดทนถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ข้อนี้อยู่ในใจได้ เราก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นในวันเข้าพรรษานี้เราก็จะมาถ้ า, าเราอยากจะขยับจิตใจของเราให้เข้าใกล้สู่พระนิพพานมากขึ้นให้เราอยู่ห่างไกลจากกองทุกข์ให้มากขึ้นเราก็ต้องตั้งสาจาัจจะธิฐานในการทำบุญทำทานก็ดี ในการรักษาศีลก็ดีในการภาวนาปฏิบัติธรรมก็ดีใ ห, ให้เราทําเพิ่มมากขึ้นต่กว่าปกติที่เราได้ทําอยู่ในขณะนี้ถ้าเราได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปมากขึ้นนั่นเองถ้าเราทําเท่าเดิมเราก็จะอยู่ที่จุดเดิมถ้าเราลดน้อยถอยลงไปทําทานน้อยลงรักษาศีลน้อยลงภาวนาน้อยลง เราก็จะเดินถอยหลังเราก็จะไม่ได้ก้าวหน้าเราก็จะเดินถอยหลังหรือเดินเข้าหากองทุกขนั่นเองนั้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราต้องการจะไปทางไหนต้องการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือต้องการที่จะกลับเข้าไปสู่กองทุกขต่างๆ mm hmm. ก็อยู่ที่การกทาของเราในช่วงเข้าพรรษานี้ mm hmm. ถ้าเราอยากจะออกจากกองทุก เราก็เพิ่มการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าถ้าไม่เคยใส่บาตรประจำเลยก็อาจจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะใส่บาตรทุกวันพระให้มันเป็นนิสัยหรือถ้าเคยใส่บาตรทุกวันพระแล้วก็อาจจะใส่บาตรทุกวันไปเพิ่มเป็นการใส่บาตรทุกวันไปคือขอให้เราทาเพิ่มมากขึ้น ในการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่เคยทำอะไรเราก็ต้องเริ่มกระทากันได้แล้วถ้าไม่เคยทำทานเลยก็ต้องมาเริ่มทำทานกันได้แล้วถ้าไม่เคยรักษาศีลเลยก็ต้องมาเริ่มรักษาศีลกันได้แล้วรักษาศีลได้มากได้น้อยทำได้มากได้น้อยก็ดูกำลังของเราประเมินกำลังของเราดูว่าเราทาได้เท่าไหร่ภาวนานั่งสมาธิได้มากน้อยเท่าไหร่ เราก็มาตั้งสัจจะอธิษฐานกันเช่นวันนี้ในสถานที่นี้เราก็มีธรรมเนียมในการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมคือช่วงแรกสามสิบนาทีแรกนี้ก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วพอมาถึงช่วงที่สองอีกสามสิบนาทีเราก็จะมาปฏิบัติธรรมคือเราจะมานั่งสมาธิกัน คือตามนำพังถ้าเราอยู่คนเดียวเราอาจจะไม่มีกาลังที่จะมานั่งสมาธิกันได้แต่ถ้าเรามานั่งร่วมกันมีคนอื่นเขานั่งให้กำลังใจมาร่วมกันมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะนั่งได้บางคนนั่งคนเดียวแล้วนั่งไม่ได้แต่พอมานั่งร่วมกันหลายๆคนก็เกิดมีกำลังใจเห็นคนอื่นเขานั่งได้เราก็ต้องนั่งได้อันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมซึ่งธรรมที่ได้แสดงไว้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขั้นต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาลองนั่งสมาธิกันถ้าเราไม่เคยนั่งมาก่อนถ้าเราเคยนั่งมาแล้วแต่ยังนั่งไม่ค่อยได้ผลดีเราก็มานั่งต่อไปมาปรับปรุงวิธีการนั่งให้ถูกต้อง เพ า, าการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่ให้นั่งเฉยๆไม่ให้นั่งแล้วปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆถ้านั่งแบบนั้นแล้วใจจะไม่มีวันเข้าสู่สมาธิได้ใจจะไม่เข้าสู่ความสงบใจจะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้เลย mm hmm. การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบนี้จําเป็นที่จะต้องมีสติคอยกํากับคอยควบคุม ใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆการนั่งสมาธินี้เป็นการนั่งเพื่อให้จิตนิ่งให้สงบให้จิตว่างจิตเย็นสบายไม่ใช่เป็นการนั่งวิปัสสนาการนั่งวิปัสสนานี้นั่งเพื่อให้เห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นอริเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นคนละรคนละคนละแบบกัน ก่อนที่เราจะไปนั่งเพื่อให้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีได้นี้เราต้องมีสมาธิเป็นเป็นเครื่องมือก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเราจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาตายรักพิจารณาอริยาาสัจสี่ได้นั่นเองนั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกการนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิทำจิตให้หยุดคิดให้ได้ พอเมื่อจิตหยุดคิดแล้วจิตก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วจิตก็จะเป็นกลางมีอุเบกขาเป็นอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าจิตเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราเคยกลัวเคยเคยรักเคยชังได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่เราจะไม่อยากจะพิจารณาในสิ่งที่เราชังก็ดีหรือเรากลัวก็ดีเป็นต้น ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดให้ได้เป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดให้ผูกใจไว้กับก ร, กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ที่จะยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจให้หยุดคิดได้ mm hmm. อารมณ์กรรมฐานนี้ก็มีหลากหลายด้วยกันในตาราก็แสดงไว้ถึง40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40สซึ่งแต่ละชนิดนี้ ก็สามารถเอามาใช้เป็นเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้ดังนั้นผู้ปฏิบัตินี้ก็สามารถเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตนหนึ่งได้ถ้าเคยใช้กรรมฐานแบบใดมาก่อนก็าสามารถใช้กรรมฐานแบบนั้นต่อไปได้ถ้าใช้แล้วได้ผลดีใช้แล้วทำให้ใจสงบเช่นบางคนใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธอันนี้เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง ก็สามารถใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธในขณะนั่งสมาธิได้เป้าหมายก็คือให้เราอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพอรู้ว่าใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธต่อไปบางท่านอาจจะฝึกด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอาณาปณสติซึ่งก็มีสองวิธีบางท่านก็ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อยู่ที่ปลายจมูก บางท่านก็ดูที่หน้าท้องก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าท้องก็พองขึ้นมาเวลาหายใจออกพองก็ท้องก็ยุบลงไปอันนี้เป็นหลากหลายวิธีด้วยกันสาหรับผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะกับจิตของตนให้เหมาะกับกําลังของตนบางคนยังเพ่งไม่ได้บางคนยังบริกรรมพุทธโทไม่ได้ ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ใช้การสวดมนต์ไปแทนก็ได้สวดบทที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆพอจบแล้วเราก็สวดใหม่สวดอิติพิโสก็ได้สวดสเพสสเปสัตาเวลาโหนตุบทแพ่เมตตาก็ได้หรือบางท่านจะสวดอาการ3าสิบสองก็ได้กีขาคือผมน้ขาคือขนเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เป็นเครื่องผูกใจ ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆได้เมื่อใจไม่ลอยไปความคิดต่อไปความคิดก็จะหายไปแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาและในขณะที่นั่งถ้ามีอะไรมามาล่อมาหลอกเช่นมีมีภาพก็ดีมีเสียงก็ดีมีอะไรที่จะดึงใจให้ออกจากกรรมฐานก็อย่าตามไปให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐาน ถ้าดูลมก็กลับมาดูลมถ้าสวดมนต์ก็กลับมาสวดมนต์ถ้าบริกรรมพุโทโธก็กลับมาพุโทโธถ้าใช้อะไรเป็นกรรมฐานผูกใจไว้ก็ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีการโดยย่ อ, อเอามาฝากท่านเพื่อให้ท่านนั่งแล้วจะได้เกิดผลขึ้นมาและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งไปจนกว่าเวลาจะหมด ตอนนี้เวลาสำหรับการ น, นั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกนั่งก็ให้สังเกตดูว่าอันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่สงบถ้าสงบดีก็สังเกตดูว่าเรานั่งแบบไหนถึงสงบดีให้จําวิธีนั่งนั้นไว้พอคราวหน้าเรามานั่งเราก็ใช้วิธีนั้นนั่งต่อได้อย่านั่งเราอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ได้ทําให้มันสงบ แต่วิธีนั่งที่เราได้เนี่ยที่เราได้ทำในวันนี้แล้วมันสงบก็จะจดจำวิธีนี้เอาไว้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็เป็นเพราะว่าสติเรายังมีน้อยเราก็จะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นในระหว่างวันสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนึกถึงพุโทโธพุธโทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไวหวการกระทาต่างๆของร่างกายไป เพื่อป้องกันไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริวาหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวามวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปิ เอติตังปฏิตังตุมหังคิดะเมวะสมิจชะตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโขวิาัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดถ้ามาถามตอนเริกแล้วจะไม่สะดวกจะไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไมา่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต336 YouTube พระสุชาติไลฟ์238 YouTube ด r v Channel 103วิทอยุาม y o u t u b n l i n e บ Clubhouse 7ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุติ287ท่านรวมทั้งหมด985าร้อาครับาาาาถามภาษาอังกฤษก่อนไหมนครับ um This is the question you ask Listen to the answer. So, if we recite a paritta for a sick person, will they gain benefit from our recitation, or does the person who is sick need to recite by themselves? Yes, they have to recite by themselves. Or if they pay attention to what you recite, they can also get some benefit, which is calming the mind. But the best one, the best way is to do it yourself, because you cannot wait or rely on other people to do it for you all the time. So you can recite, you can do it all day, all night if you like, and you can get the benefit directly from your doing it. Question from the listener, Nakuti. Yom, 82 years <laughs> old, s t not p r a c t i c i n จะพบนิพพานได้อย่างไรครับก็ปฏิบัติด้วยซิเหมือนกินข้าวะถ้ายังไม่กินมันก็ไม่อิ่มรอให้เวลาผ่านไปกี่ปีมันก็ไม่อิ่มถ้าเราไม่กินแต่ถ้าเราเริ่มกินแป๊บเดี๋ยวเดียวก็อิ่มพระพุทธเจ้าบอกถ้าเริ่มปฏิบัติเจ็ดวันก็อาจจะได้ผลถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีงั้นขอให้ได้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะเริ่มได้ผลตามลําดับเบื้องต้นก็ปฏิบัติ นั่งสมาธิอย่างที่เรานั่งกันในวันนี้ให้ใช้สติควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆแล้วเดี๋ยวจิตสงบแล้วเราก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้คำถามต่อไปจากทาง Facebook YouTube คุณจีราทีบมีบทสวดมนต์ใดที่ทำให้กรรมที่เราได้ทำมาในอดีตเบาบางลงแล้วมีบทสวดมนต์ใด ที่สามารถสวดได้ทุกวันมีอานิสงส์ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปครับไม่มีบทสวดไหนที่จะไปล้างกรรมที่เราทํามาได้แล้วบทสวดมนต์นี้ก็ถ้าเราสวดทุกวันมันก็จะทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบแต่อาจจะไม่รวยเพราะการสวดมนต์อยากคิดว่าสวดมนต์เราจะให้ร่ํารวยให้ดได้ยศได้ตําแหน่งอันนี้จะเข้าใจผิดการสวดมนต์นี้เพื่อให้ใจเราสบายให้เรามีความสุขทางใจ ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วถึงแม้เราจะยากจนเราก็ไม่เดือดร้อนคำถามต่อไปจากคุณรัฐถวันในการปฏิบัติช่วงเข้าพรรษาเราควรสวดมนต์บทใดบ้างครับส่วนได้ทุกบทบทสวดมนต์นี้มีผลเหมือนกันเพราะการสวดนี้เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสมาธิสวดเพื่อให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจเราไม่คิดถึงถึงเรื่องที่ทาให้เราวุ่นวายใจ ความวุ่นวายใจก็หายไปความเย็นความสบายใจก็จะเข้ามาแทนที่งั้นเราสามารถสวดบทไหนก็ได้วิธีสวดที่ดีก็คือสวดจากความจําของเราไม่ต้องเปิดหนังสือเราจะได้สวดไปนั่งสมาธิไปในตัวคําถามต่อไปจากคุณใบลานหากเราปฏิบัติ ภาวนาแล้วไม่ได้สวดมนต์เช่นตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมเลยหรือเราควรสวดสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิขอคําแนะนําด้วยครับอันนี้แล้วแต่ความต้องการของเราการสวดก็เป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่งไม่สวดก็ได้บางคนต้องสวดก่อนเพราะว่าใจยังคิดมากอยู่ก็เลยอาศัยการสวดมนต์คิดเพื่อหยุดความคิดให้มันน้อยลงไปก่อน แล้วค่อยมานั่งสมาธิดูรวมหายใจเข้าออกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสิตาพรการที่เรานั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำจะช่วยดับความกโกรธได้จริงไหมครับก็ได้บางส่วนเพราะถ้าเรามีสมาธิใจเราจะเย็นใจระวางเฉยได้เวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็จะไม่โกรธขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังไม่สามารถกาจัดความโกรธได้หมดไปถ้าอยากจะให้ความโกรธหมดไปเราต้องไปกาจัดเหตุที่ทำให้เราโกรธเหตุที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่โกรธใครให้พยายามฝึกความไม่โกรธไอ้ความไม่อยากให้ยินดีตามมีตามเกิดที่เรียกว่าสันโดิ ยินได้ได้มากก็ดีได้น้อยก็ดีไม่ได้เลยก็ดีถ้าอย่างนี้แล้วใจเราก็จะไม่โกรธใครคําถามต่อไปจากคุณวิมุตต์พระที่ท่านเปิดเสพเมถุนเป็นป ร, รารชิกแล้วแต่ไม่มีใครรู้ท่านตั้งใจครองตนบําเพ็ญกุศลในสมมนเพศต่อไปโดยไม่ผิดศีลอีกเลยท่านจะสามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้หรือไม่ครับถ้าว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะ กรรมที่ได้ทำไว้มันจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติต่อไปคําถามต่อไปจากคุณแอมเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรและจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราได้เกิดมาเป็นประโยชน์สูงสุดครับประโยชน์สูงสุดของการมาเกิดก็คือการมายุติการเกิดเพรการเกิดเป็นเป็นทุกข์ เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไม่ว่าจะกลับมาเกิดดีมรวยขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่ถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ต้องหยุดความการเกิดให้ได้การจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อกำจัดต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจ คำถามต่อไปจากคุณจูนในกรณีที่เราเปิดวิดีโอพระธรรมเทศนาแล้วเราก็ทํางานไปด้วยโดยไม่ได้นั่งฟังอันนี้ถือว่าผิ ด, ผดหรือไม่ครับก็เหมือนถ้าพีในหม้อแกงถ้าพี่อยู่ในหม้อแกงนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นแกงอะไรฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าฟังธรรมโดยที่ไม่ตั้งใจฟังมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปถ้าอยากจะฟังธรรมให้มันได้ลิ้มรสก็เหมือนกับแกง ลิ้นกับแกงต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือต้องมีใจจดจอ่ออยู่กับการฟังทุกทุกค ำ, คำพูดแล้วคำพูดอันนั้นก็จะเข้าไปสู่ใจของเราได้คำถามต่อไปจากคุณอโนมาช่วงนี้ได้เสพข่าวในวงการของพระรู้สึกเศร้าใจมากครับในฐานะชาวพุทธเราควรวางใจอย่างไรไม่ทำให้เสื่อมศรัทธาในศาสนาครับเราก็ต้องเข้าใจว่าพระก็มาจากคนธรรมดา อย่างเราบางทีท่านก็ผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดท่านนะก็ต้องมีความสงสารในความความโง่เขลาเบาปัญญาของท่านนะก็นะถือว่าเป็นปกตินะเราอยู่ในโลกที่มีคนเก่งคนไม่เก่งบางทีก็มารวมอยู่ที่เดียวกันทุกสังคมก็มีปัญหาเหมือนกันทนะั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็ตาม มีทั้งคนดีคนไม่ดีคุกค ao กันไปเราต้องเข้าใจโลกว่านี่เป็นธรรมดาของโลกคําถามต่อไปจากคุณนาวินพระอริยะเจ้ายังคงปลูกเสกวัตถุมงคลไหมครับลูกจะไปปลูกเสกอะไรถ้าไม่ปลูกหรอกท่านปลูกด้วยการภาวนาเสกด้วยการภาวนา คำถามต่อไปจากคุณณภัสเราต้องฝึกปฏิบัติใจอย่างไรถ้ายังต้องอยู่กับครอบครัวที่มีการผิดศีลข้อที่สทุกวันนี้ปล่อยวางพิจารณาไม่โกรธเพื่อให้ไม่ต้องมีกรรมผูกพันข้ามภพชาติครับจะได้ไม่เกิดมาเจอกันอีกอันนี้ถูกต้องไหมครับก็อย่าไปอยากให้เขามีศีลเหมือนเราก็แล้วกันคนเราก็มีศีลไม่เท่ากันบางคนก็มีศีลมากบางคนก็มีศีล น, น้อย เปนเหมือนผ ล, ลไม้บางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยอย่าไปอยากให้ส้มเป็นกล้วยถ้าอยากเราจะไม่ไม่พอใจอนั้นปล่อยให้ส้มเป็นส้มไปปล่อยให้กล้วยเป็นกล้วยไปคำถามต่อไปจากคุณเริงมีสองคำถามครับคำถามแรกความคิดกับกรรมเป็นตัวพาไปเกิดใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกความคิดต้องเป็นความคิดด้วยความอยากถึงจะพาไปเกิด กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความคิดอยากจะเสพกามอยากจะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอันนี้จะพาให้ไปเกิดหรือความอยากมีอยากเป็นอยากล่ำอยากรวยอยากดังอยากเด่นอะไรอย่างนี้หรืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้ถ้ามีความอยากแบบนี้ถึงจะไปพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังใช้ความคิดอยู่แต่ท่านใช้ใช้ความคิดมาสอนคนใช้ธรรมะ ถ้าคิดไปในทางธรรมะเราจะไม่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดจะพาให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคำถามที่สองทำไมเวลาที่เราคิดสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเราไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ก็จะลืมทําให้นึกไม่ออกเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราจะลืมไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่มีสติก็จะลืมแต่ถ้ามีสติก็จะไม่ลืม คำถามต่อไปจากคุณโบช่วงที่เราปฏิบัติธรรมแต่เราจําเป็นต้องเอาแมวไปทําหมันเราจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปการทําหมันนี่ไม่ได้เป็นการไปทําร้ายเขาใดอย่างใดคําถามต่อไปจากคุณต้าผมนั่งสมาธิดูลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจสั้นลงเรื่อยๆจนลมหายใจหายไปเกิดกลัวขึ้นมาครับ จึงพยายามหายใจและขยับตัวแต่ก็ทําไม่ได้สักพักหนึ่งก็หายใจและขยับตัวได้ปกติควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับไม่ควรทาอะไรคนจะดูเฉยๆไปรู้เฉยๆไปเพราะว่าลมถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าหายไปมันไม่หายหรอกมันละเอียดเข้าไปนึกๆแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถทำผัดได้การปฏิบัติก็คือให้เรารู้เฉยๆในที่จุดเดิงแล้วเดี๋ยวควัน ยศจิตก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปคำถามต่อไปจากคุณคณิษฐากราบขอโอกาสหลวงพ่อครับหนูฟังทำข้อที่หนึ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้ไม่ทันครับขอความกรุณาหลวงพ่อบอกอีกครั้งได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูถ่ายเดี๋ยว ด, ดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวพอถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้กลับไปเปิดดูย้อนหลังได้ต้องขออภัยด้วยไม่มีเวลา ำถามหมดแล้วครับเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องของให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ